เอกาทสกานิบาตหนึ่งมาตุโปสกะชาดกว่าด้วยพญาช้างเลี้ยงมารดามารดาพระโพธิสัตว์ได้กล่าวคร่ำครวญว่าเพราะพญาช้างเผือกนั้นจากไปไม้อ้อยช้างไม้โมกมันไม้ช้างน้าวย่างว ง, งช้างข้าวฟ่างและลูกเดือยก็เจริญงอกงามอันหนึ่งต้นกรนิกาทั้งหลายที่เชิงเขา ก็ออกดอกบานสะพรั่งไม่ว่าจะเป็นบ้านหรือเมืองไหนก็ตามพระราชาหรือราชมหาอมาตย์ผู้มีเครื่องประดับทองคำย่อมจะบารุงเลี้ยงซึ่งพญาช้างที่พระเจ้าแผ่นดินหรือพระราชาโอรสทรงใช้ประทับทรงไม่คลั่งครามอาสังหารศัตรูได้ด้วยอาหารพระราชาทรงขอร้องพญาช้างนั้นว่าพญาช้างจงรับเอาอาหารเถิดอย่าได้ไผ่พร้อมเลย งานหลวงนั้นยังมีอยู่เป็นอันมากที่ท่านจะกระทำต่อไปพระโพธิสัตว์ฟังพระดำรัสนั้นแล้วจึงกราบทูลว่านางช้างนี้นั้นน่าสงสารจริงตาบอดไม่มีผู้นําทางท้าคงจะสะดุดต่อดิ้นรนไปจนถึงภูเขาจันโทรณะแน่นอนพระราชาตรัสถามว่าพญาช้างนางช้างตาบอดไม่มีผู้นําทาง เท้าสะดุดต่อดิ้นรนไปจนถึงภูเขาจันโทรณนะนางช้างเชือกนั้นเป็นอะไรกับเจ้าพระโพธิสัตว์กราบทูลว่าขอเดชะพระมหาราชนางช้างตาบอดไม่มีผู้นําทางเท้าสะดุดต่อดิ้นรนไปจนถึงภูเขาจันโทรณนะนางช้างเผือกนั้นเป็นมารดาของข้าพระพุทธเจ้าเองพระราชาสดับเหตุผลนั้นแล้วจึงได้ตรัสว่า ท่านทั้งหลายจงปล่อยพญาช้างที่เลี้ยงมารดานี้ไปขอพญาช้างจงอยู่ร่วมกับมารดาและพวกญาติทั้งปวงเถิดพระศาสดาตรัสคถาต่อไปว่าพญาช้างพอพ้นจากเครื่องผูกซึ่งพระเจ้ากาสีทรงสั่งกลับพักอยู่ครู่หนึ่งแล้วได้ไปยังภูเขาต่อแต่นั้นมาพญาช้างได้ไปยังสะบัวที่มีน้ำเยือกเย็นซึ่งพวกช้างอาศัยอยู่ ใช้งวงนำน้ำมาพ่นรถมารดามารดาพระโพธิสัตว์เมื่อจะด่าจึงกล่าวว่าฝนอะไรนี้ไม่ดีเลยไม่ตกต้องตามฤดูกาลลูกรักของเราที่คอยดูแลปรนิบัติเราก็พลอยหายไปด้วยพระโพธิสัตว์เมื่อจะปลอบโยนมารดาจึงกล่าวว่าลูกขึ้นเถิดแม่มัวนอนอยู่ทําไมลูกรักของแม่มาแล้วพระเจ้ากาสีผู้ปริชาญาณ มีบริวารยศทรงปล่อยลูกมาแล้วมารดาพระโพธิสัตว์เมื่อจะอนุโมทนาจึงกล่าวว่าขอพระราชาผู้ทรงธนกบำรุงแควนกาสีให้เจริญรุ่งเรืองซึ่งทรงปล่อยลูกของเราผู้ประพฤติอ่อนน้อมต่อผู้หลักผู้ใหญ่ทุกเมื่อขอจงทรงมีพระชนมายุยืนนานมาตวโปสกะชาดกที่หนึ่งจบ 2. ชุนหาชาดก ว่าด้วยพระเจ้าชุนหะพรามเมื่อจะสนทนาจึงกล่าวกราบทูลว่าขอเดชะพระองค์ผู้เป็นจอมชนขอพระองค์ทรงสดับวาจาของข้าพระองค์ข้าพระองค์มาถึงที่นี้เพราะความประสงค์อย่างหนึ่งในพระเจ้าชุนหะขอเดชะพระองค์ผู้ประเสริฐกว่ามนุษย์ทั้งหลายบัณฑิตทั้งหลายไม่พูดกับพรามผู้เดินทางมายืนคอยอยู่ว่าพึงไปข้างหน้าเถิด พระราชาทรงสดับคำของพราหมณ์จึงตรัสว่าพราหมณ์เราฟังอยู่เราคอยอยู่เชิญพูดเถิดท่านมาถึงที่นี้เพราะประสงค์อะไรหรือท่านประสงค์ประโยชน์อะไรในเราจึงมาถึงที่นี้เชิญพูดมาเถิดพราหมณ์พราหมณ์และพระราชากล่าวโต้ตอบกันว่าขอพระองค์ทรงพระราชทานบ้านสวยห้าตำบลสาวใช้ร้อยคนโคเจร้อยตัว ทองคำเกินพันแท่งพัญญาสองคนที่มีชาติสกุลเหมาะสมแก่ข้าพระองค์พราหม์ตะบะอันน่าสะพรึงกลัวของท่านมีอยู่หรือมนอันวิจิตของท่านมีอยู่หรือยักษ์บางพวกที่เชื่อฟังท่านมีอยู่หรืออีกอย่างหนึ่งประโยชน์ที่เราได้ทำไว้แล้วท่านรู้ชัดหรือตะบะของข้าพระองค์ก็ไม่มีแม้มนก็ไม่มี แม้พวกยักบางเหล่าที่เชื่อฟังข้าพระองค์ก็ไม่มีถึงประโยชน์ที่พระองค์ได้ทรงกระทำไว้แล้วข้าพระองค์ก็ไม่ทราบชัดเพียงแต่ข้าพระองค์ได้พบกับฝ่าพระบาทมาก่อนเท่านั้นเรารู้ว่าครั้งนี้เป็นการพบครั้งแรกก่อนหน้านี้เราไม่รู้จักท่านเราถามแล้วท่านจงบอกความข้อนี้แกเราว่าเราได้พบกันเมื่อไรหรือที่ไหน ขอเดชะพระองค์ผู้สมติเทพเราทั้งหลายได้พักอยู่ที่ตักศกิลาในเมืองของพระเจ้าคันทารราตอันน่ารื่นรมณสถานที่นั้นในเวลากลางคืนที่มืดมิดเราได้กระทบไหลกันขอเดชะพระองค์ผู้เป็นจอมชนเราทั้งสองนั้นยืนอยู่ตรงนั้นได้สนทนาชวนให้ระลึกถึงกันณที่นั้นอันนั้นเป็นการพบกันของเราเท่านั้นเอง ต่อจากนั้นไม่ว่าภายหลังหรือเมื่อก่อนไม่มีการเจอะเจอกันเลยพรามการสมาคมกับคนดีย่อมมีในมนุษย์ทั้งหลายเป็นบางครั้งในการบางคราวบัณฑิตทั้งหลายไม่ทำการสมาคมหรือสันทวเมตรีหรือแม้คุณความดีที่เขาทำไว้ในการก่อนให้เสื่อมสูญไปส่วนคนพานทั้งหลายย่อมทําการสมาคมหรือสันทวเมตรี หรือคุณความดีที่ทำไว้ในการก่อนให้เสื่อมสู์ไปบ้างคุณเป็นอันมากที่ทำไว้ในคนผ่านทั้งหลายก็เสื่อมสู์ไปเองบ้างเป็นความจริงคนพานทั้งหลายเป็นคนอ nah ักตันอยู่ส่วนนักปราทั้งหลายไม่ทำการสมาคมหรือสันทวมเมตรีหรือแม้คุณความดีที่ทำไว้ในการก่อนให้เสื่อมสู์ไปคุณความดีที่ทำไวในนักปราทั้งหลายแม้เล็กน้อยก็ไม่เสื่อมสลายไป เป็นความจริงนักปราทั้งหลายเป็นคนมีความกะตัญยูด้วยดีเราจะให้บ้านสวยแก่ท่านห้าหมู่บ้านสาวชายร้อยคนโคเจร้อยตัวทองคำเกินพันแท่งพันยาสองคนที่มีชาติสกุลเหมาะสมแก่ท่านขอเดชะพระมหาราชการสมาคมกับสัปรุตเป็นอย่างนี้ขอเดชะพระองค์ผู้เป็นใหญ่แห่งคว้นกาสี ข้าพระองค์เป็นเสมือนดวงจันทร์ที่รายล้อมด้วยหมู่ดาวเพราะข้าพระองค์ได้สมาคมกับพระองค์ในวันนี้ชุนหาชาดกที่สองจบ 3. ธรรมเทวบุตตะชาดกว่าด้วยธรรมเทพบุตรธรรมเทพบุตรเชิญอธรรมเทพบุตรมาแล้วกล่าวว่าเขาพระเจ้าเป็นผู้สร้างยศเป็นผู้สร้างบุญ จนเป็นที่ชมเชยของสมณะและพราหมณ์ทั้งหลายทุกเมื่ออาธรรมะเทพบุตรเขาพระเจ้าเป็นฝ่ายธรรมเป็นผู้ที่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายบูชาแล้วจึงเป็นผู้ควรแก่ขนทางขอท่านจงให้ขนทางเถิดอาธรรมะเทพบุตรกล่าวว่าเขาพระเจ้าขึ้นยานฝ่ายอาธรรมอย่างมั่นคงมิได้วาดวันเป็นผู้ทรงพลังเพราะเหตุไรเขาพระเจ้านั้นจะต้องให้ขนทาง ที่ไม่เคยให้แก่ท่านในวันนี้เล่าธรรมเทพประบกล่าวว่าทำแแลปรากฎขึ้นก่อนภายหลังอาธรรมจึงเกิดขึ้นในโลกข้าพเจ้าเป็นผู้เจริญที่สุดประเสริฐที่สุดและเก่าแก่กว่าเพราะเหตุนั้นจงหลีกทางให้พี่ไปเถิดน้องชายอธรรมเทพประบกล่าวว่าข้าพเจ้าก็จะไม่ห้หนทางแก่ท่านเพราะการขอร้อง เพราะการเจรจาได้ถูกต้องหรือเพราะเป็นผู้ควรแก่หนทางวันนี้เราทั้งสองจงรบกันเถิดผู้ใดชนะในการรบหนทางเป็นของผู้นั้นธรรมเทพประบุตกล่าวว่าเขาพระเจ้าเป็นผู้ขึ้นชื่อลือชาไปทั่วทิศมีพลังมหาศาลมียศหาประมาณมิได้ไม่มีผู้เทียมเท่าประกอบด้วยคุณทั้งปวงเป็นฝ่ายธรรมอาธรรมเทพบุตร ท่านจะชนะได้อย่างไรคนเขาใช้เหล็กเท่านั้นตีทองหาใช้ทองตีเหล็กไม่วันนี้ถ้าอาธรรมกําจัดธรรได้เหล็กก็จะพึงหน้าดูเหมือนทองคําอาธรรมเทพประบรุถ้าท่านมีกำลังในการรบผู้หลักผู้ใหญ่และครูของท่านก็จะไม่มีจะด้วยความพอใจหรือไม่พอใจก็ตามขขาพเจ้าก็จะยอมให้หนทางแก่ท่าน แม้คำหยาบคายของท่านขาเขาพระเจ้าก็ยกโทษให้พระผู้มีพระภาคครั้นทรงทราบข้อความนี้จึงได้ตรัสว่าก็อาธรรมเทพบุตรครั้นได้สดับคำนี้แล้วก็ล้มศีรษะปักลงเท้าชี้ขึ้นรำพึงรำพันอยู่ว่าเราต้องการจะต่อสู้ยังไม่ทันได้ต่อสู้อธรรมเทพบุตรได้ถูกกาจัดแล้วด้วยเหตุเพียงเท่านี้ ธรรมเทพประบุตผู้มีขันติเป็นพลังชนะแล้วข้าอธรรมเทพประบุตผู้มีพลังในการรบได้แล้วให้ตกไปณภาคพื้นมีจิตใจปราบปลืม้มมีพลังกล้าแข็งมีความบากบั่นอย่างแท้จริงขึ้นรถขับไปตามทางนั่นแหลผู้ใดไม่ยกย่องนับถือมารดาบิดาสมณะและพรามในเรือนของตนผู้เช่นนั้นหลังจากตายไป ทอดทิ้งร่างกายไว้ในโลกนี้แล้วย่อมตกนรกเหมือนอธรรมเทพบุตรล้มศีรษะปักลงแล้วส่วนผู้ใดยกย่องนับถือมารดาบิดาสมณะและพราหมณ์ในเรือนของตนผู้เช่นนั้นหลังจากตายไปทอดทิ้งร่างกายไว้ในโลกนี้แล้วย่อมไปสู่สุคติเหมือนธรรมเทพบุตรขึ้นรถขับไปธรรมเทวปุตตะชาดกที่สามจบ อุทยชาดกว่าด้วยพระเจ้าอุทัยเท้าสักกะเมื่อทรงเจรจากับพระราชธิดาจึงตรัสว่าพระนางผู้ทรงพระภูษาสะอาดมีพระเผาแนบสนิทมีพระวรกายงามหาที่ตำหนิมิได้เสด็จขึ้นสู่ปราสาทประทับนั่งอยู่พระองค์เดียวพระนางผู้มีพระเนรงามเพียงดังเนรกินรีหม่อมฉันขออนุญาตพระนาง ขอให้เราได้อยู่ร่วมกันสองคนสักคืนหนึ่งนี้ลำดับนั้นพระราชธิดาได้ตรัสว่าเมืองนี้มีคู่ในระว่างอยู่รายรอบมีป้อมปราการและซุ้มประตูอันมั่นคงมีทหารถือดาบเฝ้าระวังรักษายากที่ใครๆจะเข้ามาได้อันหนึ่งแม้ทหารหนุ่มๆก็ไม่มีมาเมื่อเป็นเช่นนั้นเพราะเหตุไรหนอท่านจึงต้องการพบข้าพเจ้า เท้าสักกะจึงตรัสว่าพระนางผู้เลอโฉมมอมฉันเป็นเทพบุตรได้มาณะตำหนักของพระนางขอพระนางพึงพอพระทัยม่อมฉันเถิดหมอมฉันขอถวายถาทองคําซึ่งมีเหรียญทองคําเต็มถาดแด่พระนางพระราชธิดาสดับพระรํารัตนั้นแล้วจึงตรัสว่าจะเป็นเทวดายักษ์หรือมนุษย์ก็ตามคนอื่นหม่อมฉันไม่ปรารถนาะนอกจากพระเจ้าอุทยัย เทพบุตรผู้มีอนุภาพมากขอพระองค์เสด็จไปเสียเถิดและเสด็จไปแล้วอย่าได้เสด็จกลับมาอีกเลยเท้าสักกะตรัสว่าพระนางผู้ประกอบด้วยความหมดจดพระนางอย่าให้ความยินดีในเมทุนที่บรรดาสัตว์ผู้บริโภคกลามถือว่าเป็นความยินดีชั้นเยี่ยมซึ่งเป็นเหตุให้เหล่าสัตว์ประพฤติลุ่มลุ่ ม, มดอนดอนไปเลยหมอมชั้นขอถวายถาดเงิน ซึ่งเต็มไปด้วยทองคำแด่พระนางพระราชธิดาตรัสว่าธรรมดาชายเมื่อจะให้หญิงยินยอมย่อมเอาทรัพย์มาประมูลหญิงที่ตนพอใจแต่สำหรับพระองค์ตรงกันข้ามมีสภาพเหนือกว่าเห็นได้ชัดมีทรัพย์น้อยกว่ามหาเท้าสักกะได้ตรัสว่าพระนางผู้มีพระวรกายงดงามธรรมดาอายุและผิวพรรณของหมู่มนุษย์ในมนุษยโลก ย่อมสุดโทมไปเพราะเหตุนั้นแม้รั์ก็ลดลงตามชวีวันของพระนางเพราะวันนี้พระนางทรงชรากว่าเมื่อวานพระราชบุตรีผู้ทรงยศหม่อมฉันพิเคราะห์เห็นอย่างนี้ว่าเมื่อวันเคืรนล่วงไปชวีวันของพระนางก็สุดโทมไปพระราชบุตรีผู้มีปริชาด้วยวันนี้แหละพระองค์ควรพระพฤหภุมจันทร์ พระองค์จะมีพระชวีวันงดงามยิ่งขึ้นพระราชธิดาตรัสว่าพวกเทพไม่แก่ชราเหมือนมนุษย์หรือในร่างกายของพวกเทพไม่มีรอยเหี่ยวย่นหรือเทพบุะบุผู้ทรงอนุภาพมากมอมฉันขอทูลถามพระองค์ร่างกายของหมู่เทพเป็นอย่างไรหนอท้าวศักกะตรัสว่าพวกเทพไม่แก่ชราเหมือนมนุษย์ในร่างกายของพวกเทพก็ไม่มีรอยเหี่ยวย่น พวกเทพเหล่านั้นมีวันนะอันเป็นทิพย์และโพคาอันไพบูลยิ่งขึ้นไปทุกวันพระราชธิดาตรัสว่าหมู่ชนไม่ใช่น้อยในโลกนี้กลัวอะไรหนอทางอะไรที่ท่านกล่าวไว้โดยลทัทธิไม่ใช่น้อยเทพระบุตรผู้ทรงอนุภาพมากมอมฉันขอทูลถามพระองค์บุคคลดำรงอยู่ในทางไหนจึงไม่ต้องกลัวปรโลกท้าวักกะตรัสว่า บุคคลตั้งวาจาและใจไวโดยชอบไม่กระทำบาปด้วยกายเมื่อครอบครองเรือนก็มีข้าวและน้ำมากเป็นผู้มีศรัทธาอ่อนโยนรู้จักแบ่งปันกันกินรู้ความประสงค์ของผู้ขอเป็นผู้สงเคราะห์พูดผูกใจเพื่อนมีวาจาอ่อนหวานดำรงอยู่ในทางนี้ย่อมไม่กลัวปารโลกพระราชธิดาตรัสว่าเทพรบร พระองค์ย่อมพร่ำสอนหม่อมฉันเหมือนแม่เหมือนพ่อหม่อมฉันขอทูลถามพระองค์ผู้มีวั น, นะงดงามพระองค์ผู้มีพระวรากายงดงามเป็นใครขันนอเท้าสักกะตรัสว่าพระนางผู้เลอโฉมหม่อมฉันคือพระเจ้าอุไทยมาที่นี้เพราะมีสัญญากันไว้หม่อมฉันบอกพระองค์แล้วก็จะไปละหม่อมฉันพ้นสัญญากับพระองค์แล้วพระราชธิดาตรัสว่า ถ้าพระองค์เป็นพระเจ้าอุทัยจริงเสด็จมาที่นี้เพราะมีสัญญากันไว้ขอเดชะพระราชบุตรขอพระองค์จงพร่ำสอนหม่อมฉันตราบเท่าที่จะได้มาพบกันอีกครั้งหนึ่งพระโพธิสัตว์เมื่อจะทรงสอนจึงตรัสว่าวัยย่อมผ่านไปอย่างรวดเร็วขณะเวลาก็เหมือนกันไม่หยุดอยู่กับที่สัตว์ทั้งหลายย่อมตายแน่นอนสิริระร่างกายไม่ยั่งยืน ย่อมจะสุดโสมไปแม่อุไทยพัทราเธอจงอย่าประมาทประพฤติธรรมเถิดแผ่นดินทั้งสิ้นเต็มไปด้วยทรัพย์พึงเป็นของพระราชาผู้เดียวเท่านั้นไม่พึงตกอยู่ในอำนาจของผู้อื่นบุคคลผู้ยังไม่ปราศจากราคะก็ย่อมจะละทิ้งทรัพย์แม้นั้นไปแม่อุไทยัยพัทราเธอจงอย่าประมาทประพฤติธรรมเถิดมารดาบิดาพี่น้องทั้งหลาย แม้พัญญาสินไทยก็ดีแม้ชนเหล่านั้นก็จะต้องพลัดพรากจากกันและกันไปแม่อุไทยพัทราเธอจงย่าประมาทประพฤติธรรมเถิดแม่อุไทยพัทราเธอรู้ว่าร่างกายเป็นอาหารของสัตว์อื่นรู้ว่าสุขติและทุคติในสังสารวัตรเป็นสภาพที่อยู่อันต่ําต้อยแล้วจงย่าประมาทประพฤติธรรมเถิดพระราชธิดาเลื่อมใสแล้ว เมื่อจะทรงชมเชยจึงตรัสคาถาสุดท้ายว่าเทพบุตรนี้ตรัสดีแล้วชีวิตของสัตว์ทั้งหลายน้อยและชีวิตนั้นลำบากอยู่ได้นิดหน่อยประกอบไปด้วยทุกข์หม่อมฉันนั้นจะละทิ้งเมืองสุรุณธนแะคว้นกาสีไปบวชคนเดียวอุทยะชาดกที่สี่จบ 5. ปานิยะชาดกว่าด้วย การรังเกียจบาปเพราะเผลอไปดื่มน้ำพระปัจเจลกับพุทธเจ้าเมื่อจะถวายพระพรแก่พระราชาจึงได้ตรัสว่าอาตมาเป็นมิตรของชายคนหนึ่งได้ดื่มน้ำของมิตรที่เขาม่ได้ให้เหตุนั้นภายหลังจึงรังเกียจว่านั้นเป็นความชั่วเราได้ทำแล้วเราอย่าได้ทำความชั่วอีกเลยเพราะเหตุนั้นอาตมาจึงบวช ก็อาตมาเห็นพัญญาของคนอื่นแล้วเกิดความรักเหตุนั้นภายหลังจึงรังเกียจว่านั่นเป็นความชั่วเราได้ทําแล้วเราอย่าได้ทําความชั่วอีกเลยเพราะเหตุนั้นอาตมาจึงบวชขอถวายพระพรมหาบพิษพวกโจรในป่าได้จับปิดากับอาตมาอาตมารู้อยู่ถูกพวกโจรเหล่านั้นถามก็ได้ตอบเรื่องนั้นเป็นอย่างอื่นไป เหตุนั้นภายหลังจึงรังเกียจว่านั่นเป็นความชั่วเราได้ทําแล้วเราอย่าได้ทําความชั่วอีกเลยเพราะเหตุนั้นอาตมาจึงบวชเมื่อเขาตั้งพิธีบูชายันชื่อสมยาคะพวกมนุษย์ได้กระทําปาณ า, าติบาศอาตมาได้ยินยอมอนุญาตให้แก่พวกเขาเหตุนั้นภายหลังจึงรังเกียจว่านั่นเป็นความชั่วเราได้ทําแล้ว เราอย่าได้ทําความชั่วอีกเลยเพราะเหตุนั้นอาตมาจึงบวชเมื่อก่อนชนทั้งหลายในบ้านของอาตมาได้สําคัญสุราและเมรัยเหมือนน้าหวานได้ปรุงน้ําเมาเพื่อความหายนะแกะชนจํานวนมากอาตมาได้ยินยอมอนุญาตให้แก่พวกเขาเหตุนั้นภายหลังจึงรังเกียจว่านั่นเป็นความชั่วเราได้ทําแล้วเราอย่าได้ทําความชั่วอีกเลยเพราะเหตุนั้น อาตมาจึงบวชพระราชาทรงติเตียนกามว่าหน้าติเตียนจริงๆกามเป็นอันมากมีกลิ่นเหม็นมีขวาหน้ามากเราส่องเสพอยู่ไม่ได้ความสุขเช่นนั้นเลยพระอัครมเหสีทรงสรรเสริญความสุขในกามว่ากามทั้งหลายหน้าพอใจมากมีความสุขสุขที่ยิ่งกว่าความไม่มีผู้ส่องเสพกามย่อมขึ้นสวรรค์ พระโพธิสัตว์ติเตียนกามว่ากามทั้งหลายน่ายินดีน้อยมีทุกข์มากทุกข์ที่ยิ่งกว่ากามไม่มีคนผู้ส่องเสพกลามย่อมตกนรกกามทั้งหลายมีทุกข์มากกว่าการใช้ดาบที่รับดีแล้วฟันใช้กริดที่ชุ่มด้วยน้ํามันแทงและใช้หอกพุ่งปักที่อกกามทั้งหลายมีทุกข์มากกว่าการถูกฝังในหลุมฐานเพลิงที่ลุกโพล่ เกินชั่วคนแล้วใช้ผานที่เผาร้อนไถไปทั้งวันการทั้งหลายมีทุกข์มากกว่าการดื่มยาพิษที่ร้ายแรงกว่าการใช้น้ำมันที่เดือดพล่านรถกว่าการตกกระทะทองแดงที่กำลังละลายคว้างปาณิยะชาดกที่ห้าจบ 6. ยุทธัญชยะชาดกว่าด้วยพระราชกุมารยุทัญชัยพระโพธิสัตว์ทูลขอบรรพชาว่า ขอเดชะพระมหาราชข้าพระองค์ขอถวายบังคมพระองค์ผู้ทรงเป็นจอมทัพซึ่งแวดล้อมไปด้วยมิตรและอมรรตข้าพระองค์จักโบสถขอพระองค์ผู้สมุติเทพโปรดพระราชทานการโบสนั้นเถิดพระราชาตรัสห้ามว่าถ้าเจ้ายังมีความพร่องด้วยการทั้งหลายพ่อจะเพิ่มเติมให้แก่เจ้าพ่อจะห้ามคนที่เบียดเบียนเจ้าลูกยุธันชัยอย่าโบสเลย พระโพธิสัตว์กุมารกราบทูลว่าข้าพระองค์ไม่มีความพร่องด้วยการมทั้งหลายคนที่เบียดเบียนข้าพระองค์ก็ไม่มีแต่ข้าพระองค์ปรารถนาจะกระทำที่พึ่งซึ่งชรากาจัดไม่ได้พระศา ส, าสดาประกาศข้อความนั้นว่าพระราชบุตรทูลวิงวอนพระราชบิดาและพระราชบิดาก็ทรงวิงวอนพระราชบุตรชาวนิคมก็ทูลวิงวอนว่าพ่อยุทันชัยกุมาร อย่าพนนวดเลยพ่อเอย๋ยพระโพธิสัตว์คุมากราบทูลว่าข้าแต่ทูลกระหม่อมผู้ทรงเป็นจอมทัพพระองค์โปรดอย่าทรงห้ามข้าพระองค์ผู้จะบวชเลยขอข้าพระองค์อย่าได้ชื่อว่าเป็นผู้ประมาทเพราะกาามทั้งหลายอย่าตกอยู่ในอำนาจของชราเลยพระมารดาตรัสว่าลูกเอย๋ยแม่ขอร้องลูกขอห้ามลูกแม่ต้องการเห็นลูกนา น, าน ลูกยุธันชัยอย่าบวชเลยพระโพธิสัตว์กุมารกราบทูลว่าอายุของมนุษย์ทั้งหลายเหมือนน้าค้างที่ยอดหญ้าพอพระอาทิตย์ขึ้นก็แห้งไปหม่อมแม่พระองค์อย่าทรงห้ามมอมฉันเลยพระโพธิสัตว์ทูลเชิญพระราชบิดามาแล้วกราบทูลว่าขอเดชะพระองค์ผู้ทรงเป็นจอมทัพขอทรงให้ราชบุรุษ รีบเชิญเสด็จพระราชารดานี้ขึ้นพระราชยานเถิดขอพระราชารดาอย่าทรงทำอันตรายแก่ข้าพระองค์ผู้กำลังจะข้ามทางกันดานเลยพระเทวีทรงคร่ำครวญอยู่ว่ารีบไปกราบทูลว่าขอพระองค์ทรงพระเจริญ ร, รัมมานครจะเป็นเมืองร้างถ้าพระเจ้าสัพพทัต ท, ทรงอนุญาตให้ยุทันชัยราชบุตรทรงผนวดแล้ว พระราชกุมารพระองค์ใดประเสริฐกว่าพระราชบุตรพันพระองค์ยังทรงพระเย่ามีพระชวีวันประดุจทองคําพระราชกุมารพระองค์นี้นั้นยังทรงมีพระกําลังแข็งแรงทรงนุ่งห่มผ้ากาสวพัสดิ์ผนวดแล้วพระโพธิสัตว์กุมารกราบทูลว่าพระราชกุมารทั้งสองพระองค์คือยุทธันชัยกุมารและยุทธิฐิลากุมาร ทรงละพระราชมารดาและพระราชบิดาตัดเครื่องข้องของมรุตยูผนวดแล้วยุทันชยชาดกที่หจบ 7. ทศรัฐชาดกว่าด้วยพระเจ้าทศรถพระรามบัณฑิต ก, กล่าวว่ามณีพ่อรักและแม่สีดาเจ้าทั้งสองจงลงน้ําน้องภารตะนี้กล่าวอย่างนี้ว่า พระเจ้าทศรถสวรรคตแล้วพระตะกุมารถามรามบัณฑิตว่าเจ้าพี่รามเพราะอนุภาพอะไรเจ้าพี่จึงไม่ทรงเศร้าโศกถึงเหตุที่คนเศร้าโศกความทุกข์จึงไม่ครอบงำเจ้าพี่เพราะทรงสดับว่าทูลกระหม่อมพ่อสวรรคตแล้วพระรามบับฑิตประกาศความไม่เที่ยงว่าบรรดาคนทั้งหลายผู้พร่ำเพ้อถึงอยู่เป็นอันมาก ไม่มีสักว์คนหนึ่งที่สามารถจะรักษาชีวิตไว้ได้วินยูชนคนมีปัญญาจะพึงยังตนให้เดือดร้อนเพื่ออะไรเล่าเพราะว่าคนหนม่มคนแก่คนโง่คนฉลาดคนมั่งมีร่ำรวยคนจนก็ตามล้วนจะต้องตายทั้งนั้นสัตว์ทั้งหลายที่เกิดมามีภัยต้องตายแน่นอนเหมือนผลไม้สุกมีอันตรายต้องหล่นแน่นอนชนเป็นจานวนมาก บางพวกเห็นกนารเมื่อตอนเช้าในตอนเย็นกลับไม่ปรากฏบางพวกเห็นกันในตอนเย็นพอรุ่งเช้ากลับไม่ปรากฏหากผู้ที่หลงคร่ำครวนเบียดเบียนตนอยู่จะพึงนำประโยชน์อะไรมาได้บ้างบัณฑิตผู้มีปัญญาเห็นประจักษ์ก็จะพึงกระทำเช่นนั้นบ้างผู้ที่เบียดเบียนตนเองย่อมจะสู้ผอมไม่ผ่องใสเพราะการคร่ำครว น, นั้น สัตว์ทั้งหลายผู้ละไปสู่ปรโลกก็คุ้มครองตนไม่ได้การคร่ำครวญเป็นสิ่งที่ไร้ประโยชน์ที่พำนักอาศัยที่ร้อนบุคคลพึงใช้น้ำดับได้ฉันใดข้ออุปมายกข้อฉันนั้นความเศร้าโศกที่เกิดขึ้นแล้วนรชนคนผู้เป็นปรามมีการสดับ ฟ, ฟังมีปัญญาเป็นบัณดิตพึงกำจัดเสียโดยพลันเหมือนลมพัดนุ่นสัตว์ย่อมตายคนเดียว เกิดก็คนเดียวในสกุลส่วนการครบหากันของสรรพสัตว์มีความเกี่ยวข้องกันเป็นอย่างยิ่งเพราะเหตุนั้นแหละนักปราชญ์ผู้เป็นพระหูสูตรพิจารณาโลกนี้และโลกหน้าเพราะรู้ทั่วถึงธรรมแม้ความเศร้าโศกใหญ่หลวงก็เผาจิตใจไม่ได้เรานั้นจกให้จากบริโภคจากเลี้ยงดูญาติทั้งหลายและจากคุ้มครองมหาชนที่เหลือนั่นเป็นหน้าที่ของท่านผู้รู้ พระรามบัณฑดิตผู้มีพระสงงามดุดทองคำมีพระพาหาใหญ่ทรงครอบครองราชสมบัติอยู่ 16,000 ปีทศาารัทชาดกที่เจจบ 8. สังวราชาดกว่าด้วยพระเจ้าสังวรพระอุโบสถกุมานตรัสกับสังวรกุมานว่าขอเดชะพระมหาราช พระราชบิดาผู้เป็นพระมหากษัตริย์ทรงทราบอยู่ถึงศีลวัตดของพระองค์ทรงยกย่องพระกุมารเหล่านี้แต่หายกย่องพระองค์ด้วยชนบทใดชนบทหนึ่งไม่เมื่อพระมหาราชผู้สมติเทพทรงพระชน์อยู่หรือที่วงคตแล้วก็ตามพระญาติทั้งหลายเมื่อเห็นประโยชน์ตนจึงพากันยอมรับพระองค์ขอเดชะพระเจ้าสงวนด้วยพระจริยวัตรอะไร พระองค์จึงทรงดำรงอยู่เหนือพระเจ้าพี่ผู้มีพระชาติเสมอกันเพราะเหตุไรบรรดาพระญาติที่มาประชุมกันแล้วจึงไม่ล่วงเกินพระองค์พระเจ้าสังวรมหาราชตรัสคุณของพระองค์ว่าพระราชบุตรมอมฉันไม่ริษยาสมณะทั้งหลายผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ย่อมนอบน้อมสมณะเหล่านั้นโดยเคารพย่อมกราบเท้าสมณะผู้คงที่ทั้งหลาย สมณะเหล่านั้นย่อมพร่ำสอนหม่อมฉันผู้ประกอบแล้วในพระธรรมคุณเชื่อฟังไม่ริษยาสมณะผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ทั้งหลายยินดีแล้วในพระธรรมคุณหม่อมฉันได้สดับคำของสมณะผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่เหล่านั้นแล้วไม่ดูหมิ่นอะไรอะไรใจของหม่อมฉันยินดีในธรรมเป็นนิดพลช้างราชองค์ครักษ์พลรถพลราบ พลเหล่านั้นมอมชันก็ไม่ตัดเบี้ยเลี้ยงและรายได้ประจำที่ได้ตั้งไว้อันหนึ่งมอมชันมีมหาอมาตย์และมนตรีผู้คอยรับใช้ช่วยจัดการกลุ่มพราณาสีให้มีมังสาหารสุราและข้าวน้ำจำนวนมากอันหนึ่งแม่พ่อค้าทั้งหลายที่มาจากแคว้นต่างๆก็พากันร่ำรวยหมอมชันก็จัดการคุ้มครองพ่อค้าเหล่านั้น ข้าแต่พระเจ้าพี่อุโบสถขอพระองค์ทรงทราบอย่างนี้เถิดพระอุโบสถกุมารได้สดับดังนั้นแล้วจึงตรัสว่าขอเดชะพระเจ้าสองวอนในว่าขอพระองค์จงครองราชสมบัติโดยธรรมแทนพระญาติทั้งหลายอันหนึ่งขอพระองค์ผู้มีพระปัญญาและทรงเป็นบัณฑิตเกื้อกูลแก่พระญาติทั้งหลายเถิดพระองค์ผู้อนพระญาติแวดล้อมแล้วอย่างนี้ ทั้งได้สะสมรัตนะต่างๆไว้มากมายศัตรูทั้งหลายย่อมข่มเหงไม่ได้เหมือนกับพระอินที่จอมอสูรราวีไม่ได้สังวราชาดกที่8ปจบ9กสุ ป, ปารกชาดกว่าด้วยพ่อค้าสุ ป, ปารกะผู้พ่อค้ากล่าวว่ามนุษย์ทั้งหลายมีจมูกแหลมย่อมโผล่ขึ้นดำลงท่านสุ ป, ปารกะ พวกเราขอถามทะเลนี้ชื่ออะไรพระโพธิสัตว์กล่าวว่าเมื่อเรือของพวกท่านผู้เป็นพ่อค้าแสวงหาทรัพย์ออกไปจากท่าพรุกัดชาแล่นไปผิดทิศทางทะเลนี้เขาเรียกว่าคูระมาลีพวกพ่อค้าถามพระโพธิสัตว์ว่าทะเลปรากฏเหมือนกองไฟและดวงอาทิตย์ท่านสุ ป, ปาระกะพวกเราขอถามทะเลนี้ชื่ออะไร พระโพธิสัตว์กล่าวแก่พวกพ่อค้านั้นว่าเมื่อเรือของพวกท่านผู้เป็นพ่อค้าสแสวงหาทรัพย์ออกไปจากท่าพรุกดชาแล่นไปผิดทิศทางทะเลนี้เขาเรียกว่าอัิมาลีพวกพ่อค้าถามว่าทะเลปรากฏเหมือนนมส้มและนมสดท่านสุ ป, ปารกกะพวกเราขอถามทะเลนี้ชื่ออะไรพระโพธิสัตว์ตอบว่า เมื่อเรือของพวกท่านผู้เป็นพ่อค้าสแสวงหาทรัพย์ออกไปจากท่าพะรุกัดชา้าแล่นไปผิดทิศทางทะเลนี้เขาเรียกว่าททิมาลีพวกพ่อค้าถามว่าทะเลปรากฏเหมือนหญ้าคาและเข้ากล้าท่านสุ ป, ปาระกะพวกเราขอถามทะเลนี้ชื่ออะไรพระโพธิสัตว์ตอบว่าเมื่อเรือของพวกท่านผู้เป็นพ่อค้าสแสวงหาทรัพย์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 ทะเลนี้เขาเรียกว่านลมาลีพวกพ่อค้าถามว่าเสียงน่ากลัวมากน่าสยดสยองฟังคล้ายเสียงของอ ม, มนุษย์ทะเลปรากฏเหมือนเป็นหลุมเป็นบ่อท่านสุ ป, ปารกะพวกเราขอถามทะเลนี้ชื่ออะไรพระโพธิสัตว์ตอบว่าเมื่อเรือของพวกท่านผู้เป็นพ่อค้าสแสวงหาทรัพย์ออกไปจากท่าพรุคชัชะแล่นไปผิดทิศทาง ทะเลนี้เขาเรียกว่าพลวามุขีตั้งแต่ข้าพเจ้ารู้เดียงสาข้าพเจ้าจำตัวเองได้ว่าข้าพเจ้ายังไม่ได้รู้สึกว่าแกล้งเบียดเบียนสัตว์แม้สักตัวหนึ่งเลยด้วยสั จ, จวาจานี้ขอเรือจงกลับโดยความสวัสดีเถิดสุปารากระชาดกที่เก้าจบรวมชาดกที่มีในนิบาทนี้คือหนึ่งมาตุโปสกะชาดก 2. ชุนหาชาดก 3. ธรรมเทวปุตตะชาดก 4. อุทยาชาดก 5. ปานิยะชาดก 6. ยุทันชยะชาดก 7. ทศ ร, รถาชาดก 8. สังวราชาดก 9. สุ ป, ปารกะชาดกเอกาทศกนิบาทจบ